أفيممت ف َ ه ُ م ا ل َ ا ل د ن كل نفس زائقة الموت كل نفس ا ئ ق ة الموت และนับลูกุ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ه ه الله م ม่ยั ه ง ل ีที่ ا, أ, أ, إ, أ ل ะ ا ل ค์ฟ้าละ ل ุด ا ลล ل ว่าไม่ยุ ن งดล ل ์ฟ้าละฮัดยล ه ะว่าฉุดอัลล أ ฮ์อิลลัลลอฮ์วะห์ดะวะละฉริกละ و ่าฉุดอันมุฮัมมัดอัลกับห์วะรั ا ูละอัลลอฮุมะบิกะอัลบะห์นะวะบิกะอัมซั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 สอะ a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh <c oughs> พี่น้องที่ร่วมนมาสสุบอที่รับทั้งหลายครับดูอาร์ที่พงอ่านเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นดูอาร์ที่ท่านนาบีให้อ่านตอนเช้าเช้าหลังจากนมาซุบอเสร็จแล้วหลังจากนมาสุบอ เ, เสร็จแล้วเนี่ยนบีสั่งไม่ให้นอนไอ้คนที่นอนก็ต้องฝืนใจนะนะ ผมเคยนอนนบีไปหาลูกสาวของท่านที่บ้านอระิงฟาติมะอร์ดิยลรออวานะปรากฏว่าลูกสาวของท่านนกําลังนอนอยู่นบีก็ปุกบอกว่ากูมีกูมีลุกลูกลูกลูกเอออย่านอนนะตั้งแต่พอะาทขึ้นจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นอย่านอนเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่อัลลอฮ์กำลังจัดสรรรีสตกีเครื่องยังชีพให้กับ บบาของอัลลอ์ทุกคนเพราะนั้นลูกอย่านอนยกเว้นคนป่วยนะครับทีนี้ถ้าไม่นอนทำอะไรก็นั่งอ่านคุรานซิกรุลล้อไปนะครับซิกลอที่ผมอ่านเบเดกีน่ะประมาณสามสี่บทมีคำแปลอยู่วัตสุดท้ายก็คือว่าอัลลอฮุมะอินนีอาอูรุบิกามินัลกัสสลโออัลลอ์ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้พ้นจากความขี้เกียจกัสสลว่าออูุบิก มินซูอิลกิบารีขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้พ้นจากคนแกแล้วแล้วก็หลงหลงลืมๆืมขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ขอตั้งแต่หนุ่มหนุมนี่แหละดักเอาไว้ก่อนนะครับขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้พ้นจากการลงโทษที่ไฟนรกแล้วก็ลงโทษที่กูโบเตือนสติเราพออ่านดูอาเตือนสติเราให้นึกโอ้เดี๋ยวตายกูโบมีอาญาอีกแล้วอยู่ใน นรกมีอีกแล้วจะทํางานจะปลอดภัยจากไฟนรกและปลอดภัยจากการลงโทษที่สุสานเตือนให้นึกกับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับขอบคุณนอร์ะนะ่าเราได้ทบทวนคุรานสุรอม比亚อัมบียะเนี่ยแปลว่าบรรดานาบีทั้งหลายนะนะครับประวัติจุดในสุรอ้อ น, นี้นะมีประวัติเรื่องนาบีทั้งหมดพี่น้องนะครับวันนี้เรามาถึงอายะที่สามสิบเอ็ดนะครับ อายที่สามิบเนี่ยขอทบทวนนิดหนึ่งนะครับอัลลอฮยล่าลลัฎีนักฟะรูอันนัสสนาวะติวัลอาร์บักกาหตาอัก้ฟานตาคุนหูมะวะจัลนามินัลมาอิคุลิชาอินฮัย อาฟาลายุมี น, น, Allah, นอัลเองค์งรับสรุปอาย่นี้สังนิดหนึ่งบรรดาผู้ปฏิเสธนี่อัลลอฮไม่เรียกพวกเรานะเรียกผู้ปฏิเสธนูนะ่นน่ะบรรดาผู้ปฏิเสธไม่ได้พิจารณาบ้างหรือแต่ก่อนนี้เนะี่ยชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยนะคือโลกใบนี้กับชั้นฟ้านี่นะ รวมติดกันเคยพิจารณาบ้างไหม Allah, เอาล่ะเน้องครับนี่สอรรีวิทยาศาสตร์ให้เราเราเองก็ไม่รู้หรกมาเห็นพอเกิดมาก็เห็นมันแยกไปแล้วเนี่ยชั้นบนมีข้างล่างมีแต่เอาลอเล่าตรงนี้ให้ฟังว่าเมื่อก่อนนี้นะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยชั้นฟ้าเวหาทั้งหมดกับแผ่นดินกับโลกใบนี้เนะี่ยมันรวมกันเห็นยังครับวิทยาศาสตร์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์ และต่อมาครับฟ้านาตากนาฮูมาและเราได้แยกมันทั้งสองให้มีเวหามีดวงดาวอยู่ข้างบนแล้วก็โลกใบนี้นะครับอยู่แยกกับจากกันไอ้ ไ, ไม่พี่น้องแล้วก็ถามว่าชั้นฟ้ากับแผ่นดินอัลลอ์สร้างอะไรก่อนในคัพี่กุอุอานอธิบายอีกพี่น้องสร้างชั้นฟ้าก่อนและแผ่นดินที่หลังคำดุลิลาพี่น้อง เราวัดนี่นาดีว่าจะอนามีน้ลมาอีกคุณล่ลใช่ยินแล้วเราเนี่ยได้สร้างทุกๆสิ่งที่มีชีวิตจากน้าพี่น้องครับชีวิตของมนุษย์เนี่ยน้ำมากกว่าเนื้อใช่ไหมแผ่นดินก็เหมือนกันน้ำมากกว่าดินใช่ไหมเนี่ยแผ่นดินไปนีอยู่น้ำมากกว่าล้อมด้วยน้ำหมดเลยอะ่พะพอศึกษาไปอ้าวใช่นะ นึกว่าพอฝรังคิดที่นหนได้อัลลอฮ์บอกลงหน้าเอาไว้ก่อนแล้วขอบคุณอัลลอฮ์สุภาพนาบูบาตาล่าทีนี้ต้องการจะอธิบายว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยสาวส บ, บ้านอับดุลเลาออกมาเห็นหน้านั บ, บีพ อ, อเห็นหน้านั บ, บีแล้วมันสดชื่นนะนะมองหน้านั บ, บีแล้วสดชื่นกุรอานอินเน่สดชื่นมากเลยก็เล่าให้นั บ, บีฟังว่าวันนี้ฉันมาเห็นหน้าท่านอบดมันสดชื่นจริงๆ พอเล่าเสร็จนบีก็อ่านกูอ่านเนี่ยว่าจอัลนนมินัลมาอีกุลละใช่อินให้ยินอัลลอฮ์เนี่ยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตจากน้ำที่เห็นอะไรมันสดทืน่นสดชื่อดังมากจากน้ำทั้งหมดอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์นบีให้เตือนซบบาบะให้นึกถึงการสร้างของอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าเห็นใครมีความสุขอย่างเดียวแบมองพยายามชื่นใจวันนี้ใช่ไหม มองสามีสามีก็พรรยาชื่นใจมองดูหน้าใบหน้าลูกชื่นใจต้องนึกว่าเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาจากน้ำน้ำมากกว่าเนื้อต้องนึกครับขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์กบอกแล้วก็นบีก็สอนต่อไปอีกบรรดาซอว า, านนบีถามว่าถ้าหากฉันจะให้คนอื่นเห็นฉันและมีความสนชื่นแบบนี้นะ่ะทำยังไงนบีก็บอกให้ทำสี่เรื่อง ที่จะเสริมความสดชื่นให้มันดูมั่นคงอยู่ตลอดไปให้ใหทำสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งเห็นหน้าคนเนี่ยให้ยิ้มแล้วก็กล่าวอะไรนะอัสาาาลามุอะลัยกุมซึ่งเราทำกันอยู่แล้วใช่ไหมนี่นบีสั่งนะถ้าต้องการจะให้คนอื่นมองเราสดชื่นหนึ่งเห็นหน้าคนให้ยิ้มแล้วก็อัสาาาลามุอะลัยกุมอัลลอฮ์ยิ้มก่ออัสาาาลามุอะลัยกุมคนอื่นเห็นเราเขาสดชื่นข้อที่สอง อ, อัตไอมุตตาม ทำบุญบ้างที่บ้านเราเลี้ยงคนมาเชิญมากินข้าวที่บ้านกันบ้างมาทำให้สดชื่นกันไปอีกใช่ไหมข้อที่สมให้ติดต่อกับเครือญาติใกล้กชิดกันใช่ไหมไอการแต่งงานก็ส่วนหนึ่งทําให้ใกล้กชิดแต่ด้การไปเยี่ยมอะเรียกกข้มาเชิญเขมาทานอาหารสดชื่นอีกอันที่สองแล้วก็ไปหาเขาที่บ้านไปเยี่ยมข้าวอะไรข้าวสดชื่นอีกแล้วข้อที่สี ให้ลุกขึ้นนำมาตตหัหยุดบ้างอ๋อวักวัดอาทิตย์หนึ่งสักสคืนหรือสามคืนเพราะเราแก่แล้วเราตื่นดูมวยได้สมัยก่อนดูอะไรนะออะไรบิลเลียดอะไรสมัยก่อนดูฟุตบอลยังดือตื่นได้อะแตแตตื่นตตหัหยุดบ้างทำไมไม่ตื่นเนี่ยสี่ข้อเยมีวัตะไครักษาสม่ำเสมอนะคนอื่นมองเขาสดชื่นหมดเมลยทำอยางไล่เห็นไหม นี่ทางออกของชีวิตใครสอนเรานบีมุฮัมมัดแนะนําไว้พี่น้องนําเอาไปใช้ก่อนตายไปให้ลูกทําตัวใครตัวมันอยางานนี้เครับวันนี้มาอายะาที่31อัลเลาะห์พี่น้องครับว่าจอันาฟิลอัรฎิรอเสียอันตมีดบิฮิม وجعلنا َ فيها ف ِ جاج س ب ل ا لعلهم يتدون َ ه َُ وجعلنا في الأرض ر َ و َ ا ِ ي أن تميد َ بهم ِ وجعلنا َ فيها َ ف ِ جاج س ب ل ا ละอาลลอฮุมยาตาดุน alhamdulillah อัลลอ์ให้ความรู้ไปน้องอัลลอฮ์ให้ความรู้อานีสองเรื่องในไปน้องนะเรื่องที่หนึ่งอัลลอฮ์กล่าว ا أ ว่าอย่างน้วาาฟิลอาร์ิรอวาซียอันตามีตามีดาบิฮิมรอวาซียนี่แปลว่าภูเขาหรือว่าเทือกเขาและเราได้ทำให้เทือกเขา มั่นคงในแผ่นดินอัลลอฮ์ไปน้องครับทําให้ภูเขาเนี่นะอัลลอฮ์ให้ภูเขามาไปน้องไปน้องเดินทางไปีเห็นไปเห็นภูเขาภูเขาภูเขาต้องภูเขาอีเวรสโนนภูเขาในอินเดียในปานโนนอัลลอฮ์ดังชั้นหนึ่งเลยเนะ่ะใช่ไหมของเราก็มีนี่ใครนะอิโต้แหะภูเขาอะไรอโตอยังไงนั้นแหละทำหนึ่ลเดือนอัลลอฮ์ให้มาทั้งหมดเนี่ย พอเราให้มาทําครับอัลลอฮฺเป้าเป้าหมาที่ให้บุตรสร้างภูเขามาก็คือเพื่อแผ่นดินนี้จะมิ <c oughs> มได้ไ <c oughs> มิได้แกวงเพื่อไม่ให้แผ่นดินนี่มันแกวง่งแล้วก็หวานไหวไม่ให้ไหวไม่ให้แกวงนี่เป้าหมายที่อัลลอฮฺสร้างภูเขามาเห็นยังครับพี่น้องอัลลอฮฺสร้างบอแสดงว่าไม่ใช่ภูเขาที่มันจะเกิดเองละ่ะและแผ่นดินก็มาจะเกิดเองอัลลอฮฺให้เกิดมาทั้งหมด พอเกิดมาแล้วสาเหตุเป็นอย่างนี้พอสร้างแผ่นดินมาเนี่ยวันนั้นเนี่ยภูเขายังไม่มีพอมาก็มาลัยกาไปฟ้องว่าประชาชนเขาบนว่าแผ่นที่นไม่น่าอยู่เลยอยู่แล้วก็แกวงไปก็แกวงมาไปฟ้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอาเดี๋ยวฉันจะจัดการว่าให้ภูเขามานี่ไงภูเขาเรอว่าเสียให้ภูเขาอย่างมั่นคงเลยไปน้องเพื่ออะไรเพื่อมาให้โลกใบนี้แกวง ไม่ให้โลกใบนี้มันได้นะไหว อ, อัลลอฮฺอัลลอฮฺบัตให้ไหมใน إيمان เพิ่มแล้ว อ, อัลลอฮฺอัลลอฮฺบัต إيمان เพิ่มจะหลายคน إ ي م า ن ไม่เพิ่มะผ่านภูเขา إ ي م านไม่เพิ่มจะโ ม, มเมนต์ إ ي م านเ พ, เพิ่มเพราะละอันคุรานและไปเจอจริงๆ อ, อัลลอฮฺขอบคุณ อ, ลอัลลอฮฺเจ้าลอให้ภูเขามาเป็นเข็มหมุดตึงโลกใบนี้ไม่ให้มันแขง่งอัลฮัมดุลิลลัพินอ้องเอาต่อมาครับ ว่าจอาหนาฟีฮาฟีญาจันสูบุลาและเราได้ทำให้ให้หุบเขาเนี่ยพี่น้องฟิญาญาแปลว่าที่กว้างระหว่างสองภูเขาอย่างสองภูเขามันมีทมีทางใช่ไหมนั่นแ่ะเป็นอัลลอฮจัดให้อะไม่ให้ภูเขามันติดกันหมดนะ่ะให้มีหุบเขาหุบเขาหุบเขาเพื่ออะไรสูบุลาเป็นทางเดิน ละอัน ล, ละหุมยาตาดูนเพื่อพวกเขาจะได้ใช้เป็นทางเดินถูกต้องไม่หลงตกลงว า, ายานี้อลัลลอ์ให้ความรู้สองเรื่องหนึ่งโลกใบนี้เมกอกรเนี่ยแว่งไหวบางคนกับตำหนิบนมากิกาก็สงสารคนก็ไปทุนเนี่ยอัอลลอฮ์ฟังอัลลอ์จะรู้ทั้งหมดแล้วแหละใช่ไหมพออลัลลอ์ก็รับรู้ว่าเอาประชาชนบนลำบากก็ให้ภูเขามา เพื่อตึงโลกใบนี้ไม่ให้ไรนะไม่ให้แกวง่งแล้วก็สร้างภูเขามาแล้วก็มีหูบเขาอีกมีหูบเขาไว้เพื่ออะไรเนี่ยอลัลลอฮ์เล่าเลยนะฟิจาจันซูบูลามีหูบเขาเอาไว้เป็นซูบุนเป็นทางเดินอัลลอฮฺอักบะไหมเพราะว่ามนุษย์ในโลกนี้จะอยู่ประเทศไหนก็ตามจะอยู่ที่ไหนก็ตามต้องติดต่อซึ่งกันและกัน เครือวสัตว์สังคมนะจะต้องไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันไอการเดินทางมันมีอยู่สองแบบหนึ่งทางบกกับทางทางอากาศเอาทางอากาศก็จัดกันไปเอาล็อก็จัดไว้หมดแล้วทางทะเล ก, ก็มีเรือเดินสมุทรมีมหาสมุทรดีเรือทางบกแหละทางบกเอาล็อกก็จัดทางเอาไว้เหมือนกันให้คนได้ ไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันอะไรกันแต่งงานกันอะไรกันไปน้องเนี่ยเอาล้อแรกนะกรับพี่คุณอ่านโลกใบนี้ฉันดูแลแต่เพียงผู้เดียวขอบคุณเอาล่ะท้างั้นเราก็ไม่รู้ทำไมอ่านกุอ่อานอนุญานี่รู้ไหม <c oughs> ไม่รู้เลยว่าเอ้ไอทางนี่มันใครมาสร้างมานึกว่ากทมสร้างไม่ใช่เอาล้อ <c oughs> ให้ไปแล้วไอไปจัดทำมันดีมันหน้าที่ของเราให้ทางไปแล้ว ถ้าจะให้รถ ว, วิ่งสบายๆก็ทมก็ตองไปจัดเอาใช่ไหมทําดูน่นทานี่ให้มันดูให้มันสวยก็ขอรับช่นกันกินกันตรงนั้นนั่นแหละแต่เราคิดคิดคิ ด, คดบัญชีตลอดเวลานะครับอัลฮัมดุลิลละค่ะพูดเนืองนะอายา t h ี s มีกี่เรื่องนะสองเรื่องเราเข้าใจแล้วอีหมานเราเพิ่มไหมเพิ่มแต่ในาตับซิดอธิบายเป็นภาษาอูดูผมอ่านใด้ฟังนะกูตรูรอดเกอไอเซคุณเนนิชาน อัลมุฮัมมัดอินติรุห์มานโคเดคาร์บีโลโกโคุดะโควูจูเกอุสเกะวะดานียัดปรยากินเนยียอัตต์ยุมซาลุดูอธิบายบทคุารานะยะนี้กขบอกว่าเมื่อเห็นเครื่องหมายที่ชัดๆแบบนี้เห็นการบริหารจัดการของอัลลอฮ์เนี่ยชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยนะมนุษย์ยังไม่ยอมเชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวเลย He s, he s, he s. เหนะ็นเหตุเห็นเเล่าในคุรานหมดเลยอ่าฉันสร้างภูเขามานะระหว่างสองภูเขามีหุบเขานะให้ผู้คนได้สานจรเดินไปมาเมื่อเห็นเหตุการณ์ชัติชแบบนี้นะเขายังไม่อิมานต่ออัลลอ์เลยท่านเป็นหน้าที่ของพวกเราต้องนำเอาความรู้ตรงนี้ไปอธิบายให้นอนมุสลิมได้เข้าใจด้วยนะครับเอาต่อมาอายาที่สามสิบสอง ว่าจ ا ่งนาสแมَสักَัมมัَฟูซาวะหุมกันอ้ายติฮามูอาริดุนَ่าจั่งนาสแม่สักฟัมมัฟฟَซาวะหุม อัลฮัมดุลิลลาอายาทที่สองก็มีความรู้นะครับพี่น้องสองรายการด้วยกันอ่ารายการที่หนึ่งอมาวาจาลนสามาเราได้ทำให้ชั้นฟ้าอัลลอพี่น้องชั้นฟ้านี่นะอัลลอฮ์สร้างนะเป็นสิ่งถูกสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ไม่มีอะไรใหญ่เท่าก็ชั้นฟ้ากับแผ่นดินใหญ่ยยสุดแล้วพี่น้อง ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ร้องลงมามนุษย์นี่ยก็ร้องลงมาพี่น้องชั้นฟ้าแผ่นดินเป็นเครื่องหมายอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าเป็นอะไรครับซักฟ้าเป็นหลังคาเอาคำว่าหลังคาเนี่ยตับซิดนักตับซิดอธิบายยังไงคือเวหาที่ครอบคลุมโลกสร้างชั้นฟ้าเป็นเวหาที่ครอบคลุมโลกใบนี้พี่น้อง ัราทำดูแ ล, ลพี่น้องแล้วก็มัฟฟูซถูกรักษาไว้ไม่ให้หล่นร่วงลงมานี่อลลารย์ยืดเอาไว้นี่ยพี่น้องสั่งเอาไว้เนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยตั้งกี่พันปีมาแล้วเน่ยเคยร่วงมาไหมมะไม่เคยเลยอารย์ก ล, ล่ า, าวในคัมภีร์อลกุรอานมัฟฟูซแปลว่าถูกรักษาเอาไว้ไม่ให้มันร่วงลงมาไม่ให้มันล่นลงมาทับหัวเราบางอายาอธิบายอย่างนี้ด้วยพี่น้อง ชั้นฟ้าเนี่ยเคยเห็นเสาไหมเคยไหมไม่เคยเห็นเสารหรือว่าเสามีเรามองไม่เห็น ว, ลลว่าล้อวะเราไม่รู้ไงแต่เอา ล, ล้อทายกับมีกุณอานว่าฉันสร้างชั้นฟ้ามาเนี่ยนะไม่มีเสาให้คุณเห็นน่ะฉันสร้างชั้นฟ้ามาเนี่ยยกขึ้นสูงไม่ให้มาร่วงลงมาเนี่อาลอได้แล้วกาแฟุณอานอะไรทำมันนึกพออ่านกุณอานได้ความรู้เพิ่มอีกมาแมันก็เพิ่มตามไปด้วยไปเนาะนะครับเอาต่อมาครับ วะหุมอันอายาตินาอายาติฮะมูอะริดูนตรงนี้อัลลอต์านีกานั้นพวกเขาวะหุมพวกเขาเนี่ยยังเป็นผู้หันห่างจากสัญญาณทั้งหลายที่อัลลอฮ์สร้างมามีใครพิจารณาบ้างแหละวันนี้นะ่ะว่าอัลลอฮ์สร้างมานะ่ะเป้าหมายอะไรหลายคนยังไม่ได้ศึกษาเลยยังไม่รู้เลย ทั้งๆที่เดินอยู่ใต้ฟ้ามาตั้งนานมาแล้วห้าสิบปีหกสิบปียังไม่รู้เลยอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้ามาทําอะไรบางคนไปกราบดวงอาทิตย์มีใช่ไหมบางคนกราบดวงจันทร์มีใช่ไหยแล้วว่าชั้นสงสารเบาวของฉันเหลือเกินเนี่ยให้นบีมุฮัมมัดมาอ่ะก่อนหนะ้านายบีมัลคานบีอีซามาให้นบีมูซามาให้มาสอนเรื่องเหล่านี้แหละแต่ว่า วะหุมอันอายาติหามัวรีดูนการ น, นั้นพวกเขายังเป็นผู้หันห่างจากสัญญาณทั้งหลายของของอัลลอฮฺ سبحانه แะก็ุ์ตาอัลลบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยพี่น้องพ่อแม่บางคนไม่เคยอธิบายนะออกจากปากของพ่อวันนี้อัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้ามันนลูกนะแผ่นดินนของอัลลอฮ์ถามว่าพ่อแม่เคยอธิบายให้ลูกฟังไหมเป็นหน้าที่ของเราดูนะอัลลอฮ์พี่น้องครับ กลางคืนกลางคืนอย่างเงี้ยดูทองฟ้าบางอย่างเอาล้อเนี่ยลูกๆดูทองฟ้าเนี่ยเอาล้อสร้างมาต้องอธิบายให้ลูกฟังว่างนะครับอนละครเนี่ยมาได้คาตคืนหนึ่งเอาล้อว่าดูแล้วดูอีกดูซ้ํากว่าไม่เบื่อแต่ชั้นฟ้า น, นี่ไม่เคยอธิบายให้ลูกฟังความรู้อยอะนะพี่อลอานทั้งหมดนะจุนน้องตัง้งหลาอัลกุรองนครับ อ, อธิบายอย่างนี้อลุลามะตศิดอิบนุกศิดอธิบายบอกว่า อัลลอฮ์สร้างเวหานี่นะแล้วก็สร้างแผ่นดินวันนั้นฝนยังไม่ตกพอสร้างเวหาเสร็จแล้วสร้างแผ่นดินฝนยังไม่ตกต่อมาอัลลอฮ์มาสร้างชั้นฟ้าพิเศษอีกมาสร้างชั้นฟ้าพิเศษอีกนะพี่น้องเอาไว้ดูแลโลกใบนี้โดูเฉพาะเลยนะพอสร้างชั้นฟ้าพัพฝนเริ่มตกอิบนุกะซิรอธิบายดีนะ เมื่อก่อนเป็นเป็นเวหาก็จริงเวหามกว้างอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่เฉพาะชั้นฟ้าจริงๆเนี่ยที่ทําให้ฝนตกลงมาเนี่ยอลัลลอฮ์สร้างทีหลังนะแผ่นดินสมัยก่อนเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีต้นไม้ขึ้นไม่มีหญ้าขึ้นเพราะฝนไม่ตกนะ่ะแล้วก็น้ําไม่อยู่ตรงนี้นมันก็มันก็ทำให้งอกเหมือนกันแต่มันจะงอกดีเท่ากับน้นําฝนไม่มีเพราะน้ําฝนนี่มีอะไรนะ อ, อัลลอฮ์มีมีอะไรอะ่ะ มีอะไรนะมีปุ๋ยพิเศษเลยนะพราะถูกกับดินพับถูกหญ้าเนี่ยร อ, อมันเจริญงอกงามสังเกตนะกลางทุ่งกลางนาเนี่ยสมัยก่อนนี่นะพอฝนตกปลามาก่อแล้วนะมายังไงอะ่ะอยู่ที่ไหนนะปลาเนี่ยปลาหมออย่างเงี้ยก็ผมเคยหาปลาไม่เคยได้สักทีนั่นะ ป, ปลาหมอเต็มไปหมดเลยนะลอ ต, ลยนะตัวแค่คืนเดียวนะปลากลางทุ่งกลางนาเ น, นี่เต็มไปหมดเลยนะมาจากไหน นี่ยวิสกี้มันมาจับน้ําฝนฉะนั้นอัลลอฮฺเลยสั่งว่าท่านมีน้องทั้งหลายหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันดูแลให้ดีฉะนั้นแต่หากคนในหมู่บ้านนี้มีอีมานและมีตักวาสองข้อเองนะถ้าคนในหมู่บ้านไหนก็ตามมีอีมานและมีตักวานะครับอัลลอฮฺจะประทานบรกรรแห่งชั้นฟ้าเนี่ยลงมามีน้ําฝนลงมาพี่น้องพะลงมาแล้วเนี่ยน้ําฝนนั้นให้บรกัรความจำเริญ กับที่ตรงนั้นด้วยแต่ถ้าหากว่าคนในหมู่บ้านนั้นทรยศต่ออัลลอฮ์ไม่มีตกว่าไม่มีอิมานอัลลอฮ์ก็ให้ฝนตกแต่ตกแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ให้ตกเนี่ยเพราะอัลลอฮ์สงสารสัตว์ไอ้คนน่นไม่สงสารแล้วที่ให้ฝนตกเนี่ยเพราะสงสารสัตว์สงสารสัตว์ที่อยู่ในปา่าอาจจะไม่มีน้ํากินอะไรกินอัลลอฮ์เมตตาฉะนั้นถ้าหาจะให้ น้ำฝนมีบรารักัดจริงๆมันอยู่ที่ตัวคนนะถามว่าคนนี่นะพัฒนาตัวเองให้มีอ ي م ا ن ให้มีตักว่าต่ออัลลอฮ์เอาทำโดุลิลาพี่น้องครับน้ําฝนแต่ละหยดนั้นมีบรารักัดอย่างมากเลยครับเาลาะ่าเปลี่ยนในีทุกเวลาเปลี่ยนในีทุกทุกนาทีเอาว่าง่ายๆเนี่ยจะให้เม็ดฝนตกลงมาพี่น้องครับมีอยู่คนนึ่งรับอิสลามเพราะน้ําฝนหยดเดียว หนังสือนี่เป็นภาษาอูดูผมนั่งอ่านอยู่นะกำลังนั่งขอดูอ่านตอนร้อนที่มักกาู่น่ะร้อนหิวน่ะดูเลยมีน้าฝนหยดเดียวมาตกที่ข้างหลังเนี่ยที่คอเนี่ยพอตกภาพเนี่ยมันชื่นชําเนี่ยอโลอพี่ท้องมันอิมานมาเต็มเลยคือไปนั่งกระไปเนี่ยไปน่มาอย่างนั้นแลยแต่จใจมันจะีผูกพันเนี่ยอโลเท่าไหร่ไป พ, พวกพวงอ่ะอันหนึ่งก็าพาไปก็เชิญกันไปอะไรกันไป พอถูกน้ำฝนหยดนเดียวที่กลางหลังของเขาเนี่ยทำให้เขามีอ إ ي ่านเพิ่มรีสกีเพิ่มไปนอนแค่นั้นี่นองครับน้ำฝนที่อัลลอฮฺให้ลงมาจากชานป้านี่นะมีบราระกัดมากสําหรับคนที่อัลลอฮฺเมตตาบางบ้านฝนตกลงมาน้ากินไม่ได้เลยใช่หรือไม่ใช่เพราะลังคาสก ป, ปรกสมัยหนึ่งกินน้ำฝนไม่ได้เลยเพราะคาเดวเรนในแอคเซตเรนฝนอะไรนะฝ น, น, นที่มีกฎทากินไม่ได้เลย วันนี้ก็เหมือนกันอัลลอฮ์ให้บรารักัดน้ำฝนบางประเทศกินไม่ได้เลยบางประเทศมีบรารักัดกินน้ําฝนได้ด้วยแต่บเราเนี่ยหมดสิทิ์แล้วนะน้นําฝนกินได้ไหมไม่กล้าเลยไม่กล้ากินโดยเฉพาแอคิวเรนน้ําฝนที่มีอะไรนะมีมีอะไรมีกดเยอะมากนะครับอันตรายต่อร่างกายเอาสรุปเนี่ยสารบอายานี้ก็มีสองสองประเดน็นประเด็นที่หนึ่งอัลลอฮ์สร้างชานฟ้ามาเพื่อให้เป็นอะไรนะ ชันฟ้าเพื่อให้ฝนตกลงมาให้บราการกับดุญยากับชีวิตของโลกใบนี้และอัลลอ์รักษาเอาไว้แต่อัลลอ์เล่าบอกว่าคนส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยได้เป็นผู้ที่หันห่างจากสัญญาของทั่อลลอ์ที่ให้มานะครับเราบางทีไม่ได้คิดเลยคิดแต่เรื่องลูกกับเมียอย่างเดียวบนท้องฟ้าก็ไม่ได้คิดอัลลออักบัตฉะนั้นต้องคิดให้หมดต้องขอบคุณอัลลอฮฺุบฮานาูวะตาลานะครับ อัตมาอายที่สามสิบสามวะหุวัลลีขลักอไลละวันนะฮะราวัชชัมส์วาลกัมร์ุลุมฟีฟาลกิยัสบาฮูนอัลลอฮ์ที่เปวิทยาศาสตร์หมดเลยพี่น้อง วะฮ์อัลลัตติขัลลไลล์วันน์ห์รวะชัมซ์วะล์ควัมรกุลล์ฟีฟัลกียัซบะฮุนอัลลอฮเป็นความรู้พี่น้องด้ยและพระองค์คือผู้ทรงสร้างขอละก็แปลว่าสร้างสร้างอะไรก่อนดูนะอัลไลละแปลว่าอะไรการคืน วันนะฮรอแล้วก็สร้างกลางวันเราก็ต่อมาครับวชชมสรสร้างอะไรดวงอาทิตย์วันกอมารอสร้างดวงจันทร์เราไม่เรียกพระจันทร์พระพระจันทร์เรบคนที่บูชาเราเรียกดวงจันทร์นะครับตุลงว่าสิ่งไรสิ่งสี่รายการนี้นะครับเป็นอะไรนะเป็นมรรลูกที่อัลลอ์สร้างมาจะหมดอายุเมื่อร่ก็ได้ หนึ่งสร้างกลางคืนสองสร้างกลางวันสสร้างดวงอาทิตย์สี่สร้างดวงจันทร์นี่อาย่านี้นะพี่น้องซอบ้นานนบีเขาเถียงกันเถียงกันว่าออกลางวันกับกลางคืนเนี่ยอะไรมาก่อนเขาก็นั่งคุยกันพี่น้องแต่มีอยู่คนหนึ่งนะเป็นนักอธิบายกูรอรานที่ดีที่สุดชื่ออิบนุอับบาสเขาบอกไปหาอิบนออับบาส แต่สมัยน บ, บีนั่นน่ะนบีตาแล้วเสียชีวิตไปแล้วก็ถามไปหาอิบนุาบาสไปอิบนาบาสเองเป็นคนที่เข้าใจกุรานอธิบายกุรานเนี่ยอิมานมันเพิ่มเลยเนาะไปถามอิบนบาบัสบอก ว, ว่ากลางวันกับกลางคืนเนี่ยใครมาก่อนถามมาหลายคนก็อธิบายกลางคืนมาก่อนฉันไม่เชื่อท่านน่ะไม่เชื่อต้องไปหาเนี่ยนักตับซีทคนเก่งๆนะไห็นไหมพอไปหาท่านท่านบอกว่า นติอธิบายบอกว่าซูอลอิบนอับบาสอิบานถูกถามว่ากลางคืนเนี่ยกับกลางวันในใครมาก่อนท่านตอบบอกว่ากลางคืนมาก่อนกลางวันเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยการอ่านกูอานอะยากนี่ไงว่าวันละีลกัไลละวันนะฮารวัชชัมสาวลกอมารกุลลุมฟีฟลกีอับะฮ พออิบนาบอ่านอายนี้ป้า บ, บอกว่ากลางคืนอลัลลอฮฺสร้างมากมาก่อนกลางวันทุกคนใจสบายหมดเลยอัลฮัมดุลิลละเชื่อเลยก็ดูกล้องอ่านสิอัลลอฮฺเออยากรข้อละก็ลกไลละ ส, สร้างกลางคืนก่อนฉะนั้นอาบกลางคืนของเราเนี่ยเข้าตอนไหนตอนมัารีบใช่ไหมล่ะพอตะวันตกดินปั๊บเข้าวันใหม่นั่นแหละกลางคืนมาก่อน จากนั้นใครที่มีลูกจะทํากุฎบานนี่นะจะทํามักกิก้อนนี่นะพอตะวันตกดินพขอขอดลูดต้องสอ ง, สองทุ่มนะอย่างข้าวันนี้กับอาทิจใช่ไหมเอา ว, าวอาทิจแหละตอนสองทุ่มมาคืนเนี่ยเอาบริวารอาทิตย์แล้วอาทิตย์จันทร์คานพุธประหัตศุกร์วันเสาร์วันที่เจ็ดทำมักกิก้อนนั่นวิธีนับอ่ะแต่ที่ญี่ดีฝรัง่งมันนับเวลตอนไหนเที่ยงคืนใช่ไหมล่ะขา่าวข่าดาวก่อนใช่มหมล่ะ เที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคื น, ข, นของอิสราเอะไรนะหลังจากตะวันตกดินเข้าวันใหม่กุอ้อานอาย่านี้ครับคอลละครไล่เล่าวันนะฮะเอาล่อสร้างกลางคืนก่อนสร้างกลางวันแล้วก็สร้างดวงอาทิตย์ก่อนแล้วก็สร้างดวงจันทร์ทีหลังนี่ตามอาย่านี้เลยเนี่ยอาจารย์ถามว่าดวงอาทิตย์เนี่ยผมอ่านหนังสือพิมพ์คริสปามโมลดก็กสงสัยว่าตามธรรมดานี่นะดวงอาทิตย์มันเป็นไฟใช่ไหมล่ะ มันยิ่งอยู่มันมันยิ่งร้อนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยความร้อนเนี่ยอยู่มันยิ่งมอดลงมอดลงมอดลงอันนี้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเขาก็งงอ่มาได้ยังไงอะ่ะแต่ว่านี่อ่านคุณอานนะ إ ي ่ ا ن ม, มารับรับรับรับอิสลามเลยก็เสียดายเอาท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคริส ป, ประมุตแต่นี่ถามว่าดวงดวงจันท ร, ร์กับดวงอาทิตย์เนี่ยนะดวงอาทิตย์จะมีแสงอยู่ในตัวคนเองจะเอาล่อให้มา AH ส่วนดวงจันทร์เนี่ยได้รัศมีได้แสงมาจากดวงดวงอาทิตย์นี่ไงทำดูเรื่องนักวิทยาศาสตร์ก็ไปวิเคราะห์กันวิจัยกันทมดูเรื่องพี่น้องไม่พ้นอัลกุรอานเราแก่พี่น้องต้องรักเอาต่อมาครับกุลล um ุมฟีฟาเลกิอัสบาฮูนกุลลุมแปลว่าทุกรายการนี่แหละดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรที่อยู่บนชั้นฟ้าทั้งหมดเนี่ยนะแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยนั้นฟีฟาเลกิน ลอยยัสบะฮูนแปลว่าลอยอะไรนะลอยวนอยู่เห็นไหมลอยอยู่นี่โลกเรานี่ยเป็นเป็นฟ้ารัคเหมือนกันน่ะเป็นว่ามันวมันเนี่ยมันลอยอยู่เนี่ยมันโคจรอยู่อลอลอยอยู่โคจรอยู่อ๋อลอยนี่คุณอานอธิบายให้เราฟังดวงอาทิตย์ก็โคจรอยู่ดวงจันทร์ก oh, ok, oh, ็โคจรอยู่โลกใบนี้ก็โคจรอยู่ใช่ไม่ใช่นี่กุณอ่านอานี้ เปิดหูแล้วอ๋อโคจรได้ยังไงอ่ะถ้าไม่มีคนบังคับก็นาถนนสุขุมวิทในี่ยชนกันไปกีรอบมีทั้งคนขับมีทั้งรถมีจราจรไฟเขียวไฟแดงเนี่ยชนกันทุกวันเลยน่ะแต่ข้างบนน่ะมันเยอะมากกว่ารถบนถนนในกรทมนี่เองอ่ะแต่เคยชนกันไหมอ๋อรออัคบาลเป็นองเห็นอย่างกนี้เป็นความสามารถของอัลลอฮ์ سبحانه ะุ์ุัตตะลายิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับพี่น้อง อัลลอฮฺอักบรพี่น้องอัลฮัมดุลิลละอืมฉะนั้นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นี่นะอย่าไปกราบนะอย่าก้มลงกราบดวงอาทิตย์เพราะไม่ใช่พระเจ้าอัลลอฮฺไม่ได้สร้างมาเพื่อให้มนุษย์ลงกราบแต่อลัลลอฮสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนเพื่อมารับใช้มนุษย์อัลฮัมดุลิลละพี่น้องเอาต่อมาอายะห์ที่สามสิบสี่ก็อธิบายยาวาะนี้นะพี่น้อง คือเป็นงี้คนอาหรับคนยอหูดีนอสรลนีนี่นะครับดานบีตาหนินบีวันนบีมนะูฮัมหมัดเน่ยเป็นไรนะเป็นเป็นนักทานายฝันอ่าเป็นนักทานายทายทักเป็นคนบ้าเป็นกวีแล้วเขารออีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อไรมูฮัมหมัดจะตายเขาดีใจนะ่ะคนกาเฟตนี่นะรอว่าเมื่อไรมูฮัมหมัดจะตาย แต่ว่าเป็นกวีอลัลลอฮ์ก็พูดดักไว้แล้วว่าไม่ใช่เป็นกวีว่าเป็นคนบ้าอลัลลอฮ์ก็ตอบ ม, ม, มาแล้วคุณว่าอัลลอฮ์มุฮัมมัดไม่ใช่คนบ้ามุฮัมมัดไม่ใช่คนอย่างที่คุณคิดทั้งหมดนั่นแหละแต่พวกเขารออีกอย่างหนึ่งเมื่อไรหร่มุฮัมมัดจะตายเขาจะเขาดีใจเขาคิดว่ามุฮัมมัดตายน่ะอิสลามตายด้วยเ <c oughs> ข้าใจแบบนี้เพราะเขารังเกียจอิสลามอยู่น้องอลัลลอฮ์เล่าเลยนะมุฮัมมัดน่าตายแน่อาญานี้ ไม่ต้องหว่วงมุฮัมมัดตายแนย่แต่อิสลามไม่ตายสุนนะนบีไม่ตายใช่ไหมคุรานไม่ตายของที่นบีนำมาเนี่ยไม่สูญหายไปไหนอย่างอื่นตายหมดนบีต้องตายนะครับอา่านคุรานว่ามาจัลนาลีบาชาริมิงกอบเบลิกัลฮุลดะอาฟะอิ ม, มิด ฟ้าหุ่มข้าลิดุนว่ามา ب ้างนาลิบชาริมิ่งกับลิกาลขุดอาฟาอิมิตฟ้าห ه ่มข้าลิดุอลฮันองขอบคุณอัลลซุบฮานะฮวะตอาลาเลละเอียดให้เราฟังนะครับมาดูคแปล ว่ามาจะแลนาลีบาชารินบาชัแปลว่าคนนบชัดบาชัดแปลว่าคนธรรมดานี่แหละนะและเราไม่ได้ทาให้คนใดว่ามาจแนนาลีบชารินเราไม่ได้ทำให้คนใดที่อัลลอฮ์เกิดมาตั้งแต่บีอาดัมคนแรกมาถึงนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเราไม่ได้ทำให้คนใคนดมิงกอบบริกะกอ น, น้าน บ, บีมูฮัมหมัดอัลฮุลดะแปลว่า มีชีวิตอยู่ไปโดยไม่ตายหรือว่าได้อยู่ยืนยงคงกระพันอมตะมีชีวิตอยู่ไปไม่ตายไม่มีฉันไม่เคยทำให้คนใดก่อนหน้าโมหมัดมีชีวิตยืนยาวไม่ตายหรืออยู่บัดอ ม, มะตะไม่ตายเนี่ยไม่มีนี่อัลลอฮ์เล่าเองพอคนกาเฟมไนคิดนะ่ ดีวรอมุฮัมมัดไม่ช้ามันตายดีใจหนะ้าดูเลยอิสลามก็แต่จบจบสักทีหนึ่งมาสั่งนุ่นสั่งนี่อัลลอว่าเออมันอวดแน่เนะี่ยอัลลอฮ์ให้มุฮัมมัดตายเนี่ยแต่อิสลามไม่ตายสุนน์นาบีไม่ตายกุรอานไม่ตายจะอยู่จนกว่าจะถึงวันทียาหมัดมาดูคําแปลและเราไม่ได้ทําให้คนใดก่อนหน้ามุฮัมมัดหรือก่อนหนะ้นานบีมุฮัมมัดได้อยู่ยืนนาน มีชีวิตไม่ตายอยู่ไปโดยอมตะไม่มีครับไม่มีไม่มีตายหมดเราสบายใจไหมสบายใจที่สอนใจเราแล้วว่าเราต้องตายแน่แน่วันนี้ทุกคนยอมรับนะต้องตายผมไปประชุมที่รัฐสภามีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งอยู่กับพระพระบอกว่าเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นผมว่าเออช่วยเสริมอิสลามดีฮัมยูลิล ผมก็บอกว่าตายเท่าไรก็เกิดเท่านั้นเขาบอกมีด้วยอ่ะบอกมีสิครับท่านบอกว่าเกิดเท่าไรตายเท่านั้นผมวัดตายเท่าไรก็เกิดเท่านั้นโอ้โหอ่ะก็นั่งคุยกันได้ได้ความรู้เพิ่มพี่อนองเอาดาสูตรว่าตายเกิดเท่าไรตายเท่านั้นปัญหาว่าตายแล้วเกิดไหมเกิดครับไม่ใช่ตายแล้วตายเลยตายตายเท่าไรเกิดเท่านั้นเอาต่อมาครับอัฟราอิมมิตะ เพราะฉะนั้นถ้ามุฮัมมัดมิตรแปลว่าถ้ามุฮัมมัดเสียชีวิตหรือตายฟาหูมุลคอลีดูนพวกเขาจะยืนคงอยู่ค้าฟ้ากันนั้นรึอพวกเขาถ้ามุฮัมมัดตายแล้วคนอื่นจะอยู่ยมคงกระพันุ์ไม่ตายกันนั้นหรือไม่ใช่อัลลอฮฺสอนให้คิดอาญาณีสอนเตือนเตือนเตือนเตือนสติมนุษย์ทั้งหลายที่ ที่ว่าอยากให้มุฮัมมัดตายเองแก้ความคิดใหม่เองก็ตายทุกคนก็ตายบนโลกนี้ไม่มีใครอยู่คมกับพันบนโลกใบนี้ปัญหามีอยู่ว่าวันที่นะบัยนบีตายจริงๆเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องวันที่นบีตายนะ่ะขัดแย้งกันประมาณหกเจดข้อประมาณสิบกว่าข้อพี่น้องวันที่นบีเสียชีวิตเนะี่ยซาว่าขัดแย้งกันนะ่ะเอามาดูขัดแย้งข้อที่หนึ่ง ขัดยังข้อที่หนึ่งนี่นะครับเขาบอกว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยจะตายหรือไม่ตายนบีมุฮัมมัดเนี่ยตายหรือไม่ตายไซน่อุมัดพูดเองนะว่าลอมามาตารซู ล, ลุลอไซน่อุมัดนะบอกว่ามุฮัมมัดไม่ตายอลาวเห็นยังครับพี่น้องกดเถียงกันตายหรือไม่ตายเนี่ยตายหรือไม่ตายพี่น้องท่านอบดุลบาคดิบอ่านคุรานเลยครับเนี่ยนะ ท่นแก้ปัญหากันไปน้องคือนี่เวลาเขาถูกเถียงกันมีปัญหาขัดแย้งกันเขาเอาอะไรมาแก้อ่าเอาอะไรมาตัดสินอะไรครับหนึ่งคุรานสองสุนัขนบีจะขัดแย้งกันแค่ไหนก็ตามมันมีทางออกหนึ่งเวลาขัดแย้งกันให้ทําอะไรนะให้นึกถึงคุรานสองให้นึกถึงสุนนัขท่านนบีนี่คือคําตอบเอาละวันนั้นพอนบีเสียชีวิตปั๊บขัดแย้งกันว่านาบีตายหรือไม่ตาย มีอยู่คนหนึ่งอิมังบุคอรีมันทึกคาดิสไปเลยว่าท่านไซนาอุ ม, มัดพูดว่ามามาตอสูลุลลอสูลโลไม่ตายไซนาอุ ม, มัดบอกว่าตายอ้าวหลักฐานหลักฐานตรงไหนหลักฐานก็คือว่าอินนากามายยิตุนว่าอินนฮุมไมยยิตูนี่คุณอ่านอายาหนึ่งนะครับุอ่านไม่ใช่าอายานี้อ า, อายาอื่นมุฮัมมัดนั่นตายและพวกเขาก็ต้องตาย ศาสนาอับูบากัตพูดตอบศสนาพูดว่างั้นนะอัลามังกานยะบูดูมุฮัมมาดนใครที่บูชาหรือกราบไหว้โมฮัมหมัดที่เชื่อมฮัมหมัดนะฟอินนมฮัมหมัดกอดมาแต่มฮัมหมัดตายว่ามังกานยะบูดุลลอใครที่พักดีต่ออัลลอ์ฟอินนัลลอฮให้ยุนลายมูดอัลลอ์อยู่ไปตลอดไม่ตาย เพราะว่ายังมีปรับซอบ้านนั่งกัเงียบหมดเลยว่าโอ้เพราะนบีพูดเอาไว้ตัดสินด้วยคุรานเห็นไหมทุกคนสยบหมดเลยครับเอาข้อที่สองตายแล้วจะอาบน้ำยังไงจะอาบน้าไ ม, มยิดน่ะจะอาบยังไงเขาขัดแย้งกันสองเรื่องขัดแย้งกันว่าไงนะจะอาบน้ำไมยิดให้มีเสื้อผ้านาบีอยู่บนร่างหรือว่าถอดก่อนก็เถียงกันพี่น้อง ไม่ลงตัวได้มีเสียงที่มองไม่เห็นมือที่สามมองไม่เห็นมือนะครับมือที่สามมาเสียงที่สามมามาตัดสินบอกว่างี้อิซิลูวาไลฮิซียบุซียบูฮูให้อาบน้ํามายิดเนะี่ยโดยไม่ต้องถอดเสื้อผ้าตัดสินอัลลอฮฺพิน้องครับในขดิษมีอีกนะครับ แต่ว่านั่นคนอาจจะไม่ได้อ่านใช่ไหมนบีบอกว่าอิคซิลูนบียะกุมวาอไลฮิกอมีซูฮูฉะนั้นจงอาบน้ำนบีของท่านทั้งหลายที่เสียชีวิตนั้นอย่าถอดเสื้อผ้าองเกาออกให้อาบทางเสื้อนั่นแหละนี่คำตัดสินเงียบหมดเลยอัลฮัมดุลิลละพี่น้องเอ้าข้อที่สามจะฟังที่ไหน ฝังที่ไหนมีที่ฝังอยู่ประมาณห้าที่หนึ่งไปตุนมักดิสเนี่ยเอาไปฝังที่นู่นอีกคนหนึ่งพูดว่าฝังที่มักกะเสียที่นครมาดีนะเอาไปฝังที่บตุลมักดิสไปฝังที่มักกะขอนที่สามฝังที่กุโบบากีะใช่ไหมอันที่สีฝังที่นบีอัลคุตบามิมบัดนะฝังตรงนั้นอีกคนนึ่งว่านบียืนเป็นอิหมามที่ไหนก็ฝังตรงนั้น ขัดแย้งกันตั้งห้ารายการตัดสินไม่ลงตัวท่านอบูบักนึกได้โอ้นบีเคยพูดกับฉันไว้ก็เดอะอบูบักมามาต่นบียุนอิลลัดูฟินาไฮโซยักษบีดู น, น, น, บ, ด น, น, นบีเสียชีวิตที่ไหนให้ฟังตรงนั้นเลยเลิกความขัดแย้งจบใช่ไหมพี่น้องนบีเสียชีวิตที่ไหนแหะวันนั้น เสียชีวิตที่บ้านท่านหญิงาอชาฉนดหญิงอาชนงอาะนะเป็นฉนดหญิงอชาเองเป็นที่อยู่ของอชาเองเพื่อจะเลิกความขัดแยง้งเสียจานให้ฝังตุนนั้นเลยทุกวันนี้ที่นบีฝังนะ่ะเป็นบ้านขอ ง, ท, ง, งอท่านหญิงไอชะรอดีอัลลอฮฺแล้วก็มีมีมอีกสองสองศพใครนะท่านอบูบักท่านอุมัดเรื่องยาวไม่อยากจะเล่าเวลาจะไม่มีตกลงว่า ความขัดแย้งในสมัยหลังจากน บ, บีตายนะขัดแย้งมีไหมแย้งมีครับแต่ว่าจบด้วยกุรอานและจบด้วยสุนนะท่านน บ, บีเอาต่อมาข้อที่สี่จะฝังลูกหลุมหรือฝังชายโรงจะฝังลูกหลุมหรือฝังชายโรงก็เอาไงดีมีคนจะเอางี้ให้ไปตามคนที่ขุดหลุมมาด้วยขุดลูกหลุมนะแล้วไปฝังไปไ ป, ไปตามคนที่ทำโลงมาด้วย ถ้าใครมาถึงก่อนก็ให้คนนั้นแหละเป็นคนจัดการปรากฏว่าท่านอบูบักพูดบอกว่านาบีเคยสอนฉันไว้นะอัลลอฮุดลาวชิกูเลรอยรินะการฝังด้วยลูกหลุมเนี่ยของพวกเราของคนอื่นที่เสียชีวิตแต่ช้ยลงไม่มีปัญหาหรอก <c oughs> แล้วก็บังเอิญในคนที่ไปตามนี่นะคนที่ขุดลูกหลุมมาก่อนด้วย ก็เลยตัดสินใจว่าให้ชายฝังนบีด้วยคันขุดลูกหลุมเขาเรียกกันละหัสในะอินเดียก็ใช้เมืองไทยก็ใช้บางแห่งนะแต่ที่มัเรามันใช้ไม่ได้เพราะไรน้ำมันเยอะความจำเป็นต้องใช้สุนดูตัวใช้หีดให้ไหมพี่น้องเนี่ยได้ความรู้เต็มเรือนละทำดุลยเลยเอาต่อมาข้อที่หวันที่นบีเสียชีวิตวันนั้นครับพี่น้องใครจะเป็นรับผิดชอบดูแล ข้อที่ห้าดูแลศาสนาหลังจากนาบีเสียชีวิตโอ้ศาสนาใหญ่มากนะโอ้โหเรื่องใหญ่มากนะใครจะรับผิดชอบองค์กรศาสนาที่มีอยู่เนี่ยดูแลศาสนาให้มั่นคงต่อไปก็ขัดแย้งกันหนึ่งกลุ่มมุฮัจิรินกับกลุ่มอันซอดกลุ่มอันซอดคือคนชาวมาดีนะนะกับชาวมักกะที่อพยพอยู่ตะครอมมดีนนะก็ขัดขัดแย้งกันท่านอบูบัก ว่าท่านอบดุีสอนอย่างนี้บางบุครีบอกว่าอัลอาอิมมาตุมินกูร้อยจินการเป็นผู้นําหัวหน้านั้นอัลเบี๋ยพูดนะต้องมาจากกลุ่มกูเรชเท่านั้นกลุ่มอื่นไม่ได้จบพอท่านบุรุษพูดว่ากูเรชก็จบเลยคุณดนสุคนนั่งฟังเงียบหมดเลยละ่ะคับโดยแล้วข้อที่หกมาดุของท่านอบดุีมีไหมีมครับจะแบ่งยังไงอ่ะ จะให้ใครล่ะไอคนพร้อมจะเอามามีอยู่แล้วหลายคนไปน่องท่านอบูบักพูดเลยนะครับลานูรอสูมาตารกนาฮูซอดกก์นบีพูดว่าทรัพย์สมบัติของฉันที่เหลืออยู่หลังหลังหลังหลังจากใยไม่มีมรดกมอบไปเป็นสาธารณะประโยชน์หมดเลยเป็นซอดอกก์ทั้งหมดจบทำดุลีเลยขัดแยกจบไหมจบนี่ไงาไนคือน้อง อัลฮัมดุลิลลาห์นี่ต้องการจะบอกท่านพี่น้องว่าขัดแย้งน่ะมีไหมมีแต่จบไหมจบจบด้วยอัลกุรอานและสุนนะของท่านนาบีพ่อของนบีสอนไปหมดแล้ ว, ลวนะครับจะนั้นคนที่เรียนทำไปได้ความรู้เยอะฉะนั้นทุกหมู่บ้านคนจะมีมีลูกมีหลานจะเรียนหนังสือนะนะกลับมาจะได้เอาความรู้ที่มาจากอัลลอฮฺและละซุนมาอธิบายให้ให้ญาติพี่น้องเราฟังนะครับเอามีแค่นี้อ่ะอีกข้อหนึ่ง พออับบีตายมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งประกาศฉันข อ, อนามาดอย่างเดียวไม่ใจประกาศ <c oughs> ฉันข อ, อนามาดอย่างเดียวประกาศไม่จายอ๋อทำไงอ่ะพี่น้องท่านอับูบากจัดการนะท่พูดว่าอายังกุศุดดินไว้อนาให้จะให้ศาสนานี่ไม่ขาดตรงบกพร้องคนนี้ทําคนนี้ไม่ทําทําบางข้อหยุดบางข้อ ฉันยังมีชีวิตอยู่แนะฉันไม่ยอมนะท่านจัดทหารเลยทรงไปจัดการไอ้คนที่อะไรนะประกาศวาจนะมาดย่างเดียวไม่ยอมจ่ายสากาัดใช่ไหมพี่น้องตามมาเต็มเลยปัญหาเนี่ยนี่อลัลลอฮ์ทดสอบหัวใจมนุษย์หมดเลยนะครับพี่น้องเอาปัญหามีไหมมีแก้ได้ไหมปัญหามีไม่ใช่เพื่อเครียดแต่มีเพื่ออะไรนะเพื่อแก่เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวใจเอ า, า, า, เเ อ, าอายาต่อไปกับอายาสามสิบห้า ข้าวแล้ว่าอยู่ไปตลอดข้อดีดีนี่ฟิฮาอยู่ในนรกตลอดอในสวรรค์ตลอดไม่มีไม่อยู่ตายอยู่แล้วนะต่อมาครับอายะสุดท้ายนะกุลนัฟสินเจีกัตุลมาออายะนี่เปิดสมองเลย วันนับลูกุมบิษฐ์ชรีวั wa ัยรีฟิทนาว่าอิลัยน์นัตูร์จ้างอุนอัลลอฮฺงคุลลูนัฟซินซาอิกะตุลมาดุตวันน <bin> ับลูกุมบิษฐ์ชรีวัลขัยรีฟิทนาว่าอิลัยน์นัตูร์จ้างอนพิงจำไม่ยานีน่ะ เพราะว่าเขียนแปะไว้ข้างฝาเลยเอลัลลอฮ์ขยายตัวโตๆศัยกัาแปะไปด้วยแปลว่าอะไรครับทุกๆชีวิตอลัลลอฮ์กุลลุนับสินทุกๆชีวิตซาอิกรตุลเมาเป็นผู้ลิมรสความตายทำไมอลัลลอฮ์พูดว่าลิมรส ล, ล่ะอัลลอฮ์ภาษาที่อลัลลอฮ์ใช้เนี่ยให้เราใช้ปัญญาจริงๆเพราะว่าบางคนตายแล้วหวานก็มี คนมุมินตายหวานหมดคนตายชาฮิดอร่อยหมดแล้วก็บุยาล่ให้ฉันฟื้นมาอีกสิบเที่ยวตายอย่างนี้แหละอร่อยจริงๆเขาเห็นพวกเราเห็นมุสลิมถูกระเบิดเนะ่หมดกัดเจ็บกว่าโอ ล, โลตายชาฮิดอร่อยจริงๆแล้วอีกบางคนตายแล้วขมมีไหมมีก็ที่แรกผมอ่านอัานีว่างานเนีลาตูกอดดมูนี อย่าพาฉันไปนะคนละจับใส่ลงปั๊บพูดเลยลาตุกอดดีโมนีอย่าพาฉันไปนะทําไมพี่น้องพรถูกจับใส่ลงปั๊บเห็นเลยเห็นอาสาบเลยเห็นการลงโทษเลยให็นไหมพี่น้องนี่ผมอ่านประวัติศาสตร์พบนีมีผู้ชาอยู่นคนหนึ่งในสมัยอับบาヌอุมัยยะ ชื่อโซไลมานบินอัมดุลมาลิกอ่านี่เล่าประวัติศาสตร์ดีนะเพื่น้องนะอยู่ในสมัยเดียวกับท่านอุมัดเบอุลอาซิสอุมัดเบลุลอาซีสเป็นคอลีฟ้านะแล้วก็ไซนาอุมัดเนี่ยไปหาลูกสะพ้ยเนี่ยมะของอุมัดเบอลุอาซีสเนะี่ยจะคนที่เป็นขายนมนะ่งแล้วขายนมก็บอกว่ามะแม่ก็สั่งว่าลูกเราเอานมคนน้ามันไปขายคนพวงนี้ลูกสาวบอกว่ายายายาย ไซนาอุมัดสั่งไว้ไม่ให้น้าบนนมมาบอะว่าไซนาอุมัดนอนอยู่ที่บ้านไม่เห็นหรอกคําว่าอัลลอฮฺเห็นนะเนี่ลูกชาเขาเชื่ออุมัด อ, อุมัดคนนี้แหละเป็นคอลิฟ่าที่เข้มเพราะแม่มีอิมานงแล้วก็พ่อนี่อัลลอฮฺลูกไซนาอุมัดนี่อบรมมาอย่างดีเลยพี่น้องและอยู่ด้วยกันได้ลูกเนี่ยชั้นหนึ่งแล้วก็ับพี่น้องอุมัดเป็นอับดุลอาซิดเนี่ยในสมัยเดียวกวับ ส, สุลัยมานบินอับดุลม али สุไลมานเนี่ยเป็นลูกกษัตริย์ใช้ชีวิตแบบสนุกร่าเริง ม, มีความสุขรู้ไหมอธิบายยังไงนะแต่งงานครั้งละสี่คนใครกลาานะ้าบ้างพวกเรามีกล้าไหมไม่มีสักคนหนึ่งอะ่ะผมยังไม่เคยได้ยินว่าใครนี่กล้าที่ละสี่คนนะถึงมาอ่านพบม า, มาคืนนั่งอ่านดูเ้าวสุไลมานบินอัมทุลมาลิกนี่อร่อยจริงๆเป็นลูกกษัตริย์ นิก้าทีหนึ่งสี่คนพอนิก้าเสร็จแล้วอยู่ไม่กี่เดือนยาทีละสี่แลแต่งใหมอ่อีละสอีกชีวิตอร่อยไหม อ, อ๋ออร่อยจริงๆริงแล้วอยู่กับผู้หญิง อ, อ๋อเป็นว่ามันสุขที่สุดของชีวิตผู้ชายอย่างนี้ใช่ไหมแฮปปีอ้อ๋อรอได้เปลี่ยนคู่นอนสี่เดือนเปลี่ยนทีห้าเดือนเปลี่ยนทีมาจะเปลี่ยนเปลี่ยนทีละสีละสีละสีละสีไอ้ลูกคงจะเยอะพอสมควรเราไม่รู้นะ แต่ปรากฏว่าอายุ35เสียชีวิตแล้วอายุแค่35นี่ยกำลังหนุ่มกำลังอร่อยเต็มที่แล้วตายพอตายภาพเนี่ยเขาก็พาเมยิดไปฝังที่กุโบอุมัตบิญัปรอาซิดเป็นคอลิฟะในยุคเดียวกันเนี่ยอายุนั่นแค่45เอง40เป็นคนเอาเมยิดเนี่ยลูกกษัตริย์เนี่ยลงไปในในหลุมฝังศพ ลูกชายของโซไลมานบินอัลมาลิกเนี่ยไปในเหตุการณ์ด้วยลูกชายเห็นพ่อดิ้นเห็นศพมันดิ้นอยู่นะ่ะอยู่ในมือเนี่ยศพมันดิ้นอย่างนี้แหละลูกชายว่าพ่อพ่อฟื้นแล้วพ่อฟื้นแล้วพ่อฝุดีใจอลูกนะนะพ่อดิ้นอุมัติอาธิษบอกว่าไม่ใช่พ่อคุณไม่ไป้จะฟื้นก็พูดอย่างนี้ อัจจัลลอฮฺบิลลูบะอัจจัลลอฮฺบิลลูบะที่เขาดิ้นนั้นเพราะเขาดิ้นพราะถูกลงโทษก่อนฟังเห็นไหมเห็นอย่างครับใช้ชีวิตสุขเกินไปบนดุนยานี่ก็อันตรายนะนี่นี่กล้าถูกต้องนะสี่คนทีละสี่ละสีละส่ละสี่ละสีนะ่นะนบีไม่เคยทําให้เห็นสักภาพหนึ่งภาพภาพนี้นะบีเคยทําเปล่าเปล่า นบีแต่งหญิงคนยากยุกข์าทางตายนาบีไม่เคยหยาก็เลยพี่น้องรักษาภรรยาแล้วก็ภรรยาขอนาบีเนี่ยมีสาวอยู่คนเดียวตอนนั้นมีไม่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไ ม, นม่มีลูกติดทาด่าหมดแต่คนนี้ทําไมอ่ะสาวสาวซิงซิงเลยนะทีละสี่ละสีเดือนหย่าอัลลอฮฺอักบั ด, ด, ด, ด, ดแล้วเป็นไงพอตายอ่ะอยู่บนมือใส่นะอุบัยเป็อัซีตพี่น้องสันอย่างเงี้ยท่านพูดว่าไม่ใช่ฟื้นลูกเอ้ย อาจจะรออหุบิลอูกูบะเขากําลังถูกลงโทษนะครับก่อนที่จะถูกฝังท่านอุมัตบิลาสิทธิ์เล่าเองนะครับพอฉันเอามายึดฝังที่ลูกหลุมฉันไปแวกดูหน้าพอแวกดูหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยมันหันจากกิบลัดไปแล้วธรรมดาต้องฝังฐานะทางกิบลัดใช่ไหมพอแวกหน้าดูเนี่ยหน้ามาไปทางอื่นแล้วกิบลัดไม่ไม่ยอมรับเห็นยังครับ คนชั่วๆคนไม่ดีวันนี้ก็เหมือนกันนะกิบลัดไม่รับนะเสร็จแล้วเ ป, นป็นไงเป็น้องครับพอใบหน้าหันไปทางอื่นแล้วไม่ใช่ขาวนะดำหมดทั้งหน้าเลยนี่ใครเล่าแล้วครับเอามาดเบียบุลอาซิบเป็นคอลิฟะเล่าเองฉะนั้นลาตุ ก, กอดดิมูนีที่ว่ายาพาฉันไปกูโบนะ่มันจริงครับอา้าวใครลองตายดูยสิ ไม่เอาอิสลามลองตายดูอะไรมันจะเกิดขึ้นเรอแอนตีซุน่าดูเราตายดูกีจะไปน้องกับที่นบีพูดไปจริงหมดเลยจ ะ, ะนั้นคนที่ถูกจับใส่ลงปั๊บมีนะถ้าปฏิเสธซุนนะดูถูกอัลกรุรอานดานาบีคนนี้เอาวะร้องเอาระซูน่ะแต่ใช้ชีวิตแบบมีความสุขไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่นบีวางไว้เป็นยังไงดูสิถูกลงโทษอยู่ในอ้อมกอดเนี่ยยังไม่ทันฝังเลยพอแวกหน้าดู หน้าหารไปทางนอกจะเก็บหลั่ไปแล้วแล้วก็ดําหมดเลยหน้าเนี่ยค่ําหมดเลยไปนองตั้งหลายนาอุสบินเลยหนึ่งดาวไปนองครับก่อนตายตอบ้าตัวนะไปน้องเอ้ยนะครับตอบ้าตัวตอบ้าตัวเอาต่อมาครับกุลลูนับซินซาอีกตุลเมาทุกทุกชีวิตนั้นเป็นผู้ลิมรสแห่งความตายลิมหนึ่งลิมหวานจะลิมขมพวกเราขอให้ลิมหวานนะอย่าลิมขมนะครับ อาต่อมาวานาบลูกุมโอเราได้ทดลองเราได้ทดสอบสู่เจ้าอยู่ขณะอยู่บนดุงยาเบนี้อลัลลอฮ์ทดสอบทุกคนทดสอบเรื่องอะไรก่อนครับบิชารีเรื่องอะไรครับเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีก่อนอะไรนำหน้าเนี่ยชั่วนำหน้าเห็นไหมอลัลลอฮ์สร้างกลางคืนและกลางวานันอะไรนำหน้ากลางคืนนำหน้า อันนี้สร้างสร้างขันยำหนานะสร้างความชั่วนำหน้าดูสิอา้าวจากคดีนบีนะลูกเราพอคลอดออกมาจากจากทองมารดานี่ชายตอนประกาศเลยฉันเป็นศัตรูกับลูกคุณมันเอามือมาจิ้มที่ทองปึ๊บอย่างนี้เลยนะ่ะนี่นบีเล่าเองนะ่ะชายตอนเนเอานิ้วมือก็มันสองนิ้วมากระแทกที่ทองน้อยของลูกเราเด็กมันร้องอนะ่ะ ถ้า ไ, ไม่ร้องอามาแวะก็ตกตบตูดนะให้มาร้องพอร้องจะอะไรอะไรจะออกมาใช่ไหมต้ น, นประกาศใช้ตอนมาเล่นงานแนละ้วนี่อรรถเล่าเองอนะ่ะวานาบลูกุมบิชาเรเราทดลองทดสอบสู่เจ้าทั้งหลายด้วยการทดสอบแห่งความไม่ดีก่อนใช่หรือไม่ใช่วันนี้ที่เราที่เราเก่งวันนี้สมองเราที่เรามีความรู้เพราะเราถูกทดสอบเยอะใช่ไหมใช่หรื คนที่ถูกทดสอบเยอะนะไม่ใช่คนเลวนะคนดีนะไอ้ที่ลองเลวลองไม่จบอลริก่ามาเนี่ยไม่จบอินเดียมาเนะ่ยความรู้จะมีลนะ่ะควายธรรมดาเนนะ่ะถ้าไม่ไม่ถ้าพ่อไม่ตัดไปส่งไปอยู่ในต่างประเทศอยู่ของเคสแบบนี้เป็นควายหมดเลยละต้องชีวิตต้องลําบากลําบากลําบากลําบากลำบากลาบา ก, บา ก, บาก อ, าอัลลอฮฺพี่น้องเห็นยังครับนี่อลัลลอฮฺเล่านะจะนั่นอย่าท้อ เวลามีปัญหาอย่าท้อวานาบลูกุมบิชารีเราได้ทดลองสูเจ้าทั้งหลายด้วยความไม่ดีก่อนแล้วของไม่ดีจะใครชอบบ้างไม่มีใครชอบสักคนหนึ่งทดสอบของไม่ดีเอาอะไรบ้างท่านอาลีบินอบับตุลฮะอิบนะอับบาสอธิบายดีนะหนึ่งความลำบากนะครับใครชอบบ้างไม่มีใครชอบ ความป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยใครชอบบ้างไม่มีใครชอบสักคนหนึ่งวันฟักกี้ความยากจนใครชอบไหมจนเงินน้อยเอาไหมไม่เอาสักคนหนึ่งขอให้รวยรวยหมดเลยแล้วก็ของที่ฮารอมใครชอบไหมมุมินเท่านั้นนะที่ที่ที่ไม่ชอบแต่คนกาแฟชอบแล้วก็อยู่แบบทรยศตอ่ออัลลอฮ์เนี่ยชอบไหมไม่มีใครชอบเลยแต่อลัลลอฮ์ทดสอบไอ้คนเป็นอย่างนี้แหละ ให้เจอปัญหาปัญหาปัญหาปัญหาปัญหาปัญหาแล้วก็ค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ทาให้อะไรนะฉลาดทาให้เก่งทําให้แกรงอ๋อทำดูลีลาอ้าวขอยกตัวอย่างนาบีไปนองบ้านนาบีเนี่ยนบีจะนอนบนอะไรบนเสือเห็นไหมเรานี่ฟูกหนาเป็นคืบนี่แอ <laughs> นบีนอนบนเสือ่อไซน่าอมาดไปเยี่ยมนบีนะครับ พอนบีแขกมาก็ลุกขึ้นนั่งแดงหลังนบีนบีคนขาวหลังแดงเ่นาอุมาตั้มตาไหลอ่ะยาสูละท่านเป็นนบีของอัลลออัลลอแต่งตั้งมาเนี่ยทำไมนอนกับเสือหลังแดงอย่างนี้ไปดูสิพวกกุฟฟาเถี่ยเป็นกระทรวงกษัตริย์กันหลายคนในช่วงนั้นเขานอนสบายอยู่สบายทำไมท่านตอนละบากดขณะนี้นบียิมเซนา อ, อุมะเอคุณไม่รู้หรือ พวกเราเนะี่ยมุสลิมนี่นะอยู่บนดุนยาใบนี้เหมือนกับเดินทางไกลามายืนพักอยู่โคนต้นไม้ตอนนั้นเองเรามาทำหน้าที่วันนี้มาทำงานทำงานทำงานเดี๋ยวจะเดินทางต่อไปหาอัลลอ์แล้วโอ้โหไซนามมาเปิดสมองเลยอัลฮามดุลิละเอามาดูบ้านอาหารการกินของท่านนาบีท่านนาบีมุสลามนะครับกินอาหารนะ่ะนางพระยาเล่าเองนะบางเดือนสามเดือนไม่มี ไม่มีควันไฟขึ้นมาจะกินอะไรก็ปิ่นจะผัดรำรำ ต, ต้องต้มบางไม่ต้องต้มควันไฟไม่มีกัำน้ ำ, ำําๆอ่ะนั่นชีวิตของนบีเอามาดูบ้านนาบีพอยกมือขึ้นติดหลังคาเวลาสูยุดเจอขาภรรยาถามว่าใหญ่หรือเล็กนั่นชีวิตนบีฉะนั้นชีวิตที่ลําบากเป็น้อนกับเป็นชีวิตที่อร่อยจริงๆถ้าเราอ่านคุ آن, อานอาญาี้ให้เข้าใจ วานาบลูกุมบิชรีและเราได้ทดลองสู่เจ้าด้วยการทดลองแห่งความไม่ดีวันคอยรแลว้วก็ความดีมาที่หลังเห็นไหมทดลองให้ลังบาก่อนมีปัญหาก่อนอา้าวอย่างนักเรียนเนี่ยถ่ายพ่อถ้าพ่ อ, พอแม่ไม่ส่งประเรนหนังสือกันจะได้ความรู้ไหมถูกยุ่งการบ้างอาหารอดบ้างอาหารไม่อร่อยบ้างถูกครูตีบ้างอะไรบ้างอร่อยหมดเลยชีวิตอัลฮัมดุลิลละเอาต่อมา ฟิชนาตุนอัลลอฮอักบัดเป็นการทดลองเพื่อทดลองมนุษย์ให้ระจนกับความทุกข์และความสุขว่าผู้ใดจะมั่นคงต่อสัจธรรมของอัลลอฮให้มีปัญหาเนี่ยเพื่อให้เรายึดมัดยึดะยึดหลักการให้มันถูกต้องต่อมาครับ ว่าอิลัยนาตูรจัอุนและยังเราที่สู่เจ้าจะถูกนํากลับไปหลังจากวันตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาต้องกลับไปหาอาลัลลอฮ์หมดเลยไปลองนั่นแหละอลัลลอฮ์จะตัดสินรางวัลให้ใครที่อดทนมีรางวัลใครที่ขอบคุณมีรางวัลใครที่บ่นไม่มีรางวัลถ้าจะบ่นจะบ่นอย่างนี้อินนาลิลละว่าอินนาอิลัยยูโราจัยอุนคนที่ภรรยาตายว่าไงอัลฮามดุลิลละ ดีใจที่พยายตายว่าอินนาลิลละแต่เราเป็นของอัลลอฮ์แต่ไม่ช้าก็จะกลับหา All a, All a ati, อัลลอฮ์อัลลอฮุมะยุนีฟีมุซีบัตีวักลิฟลีคอยรอมินฮะโออัลลอฮ์จ๋าโปรดให้รางวัลความเดือดร้อนที่พรายาเสียชีวิตไปไม่มีคนหุงข้าวให้อะไม่มีคนซักเสื้อให้ไม่มีคนอัลลอฮ์นอนกอดด้วยเสียใจอัลลอฮ์จะโปรดตอบแทนของที่ดีกว่ามาทดแทนก็หาพรายาใหม่หาพรายาใหม่ตอบแทน อัลลอ์ให้มาพี่น้องครับฉะนั้นอย่าลืมถ้ากลุ้มอกกุ้มใจให้นึกถึงอัลลอฮ์แล้วกอดุอาอ่านอามีินะอัลฮะมดุลิลลาฮ์อินนาลิลลาวะอินนาอิลาฮิราจิยอุนอัลลอฮุมะจุรนีฟีมุซีบัติวะคลิฟลีคอยรอมินฮะอาญานี้สอนดีมากครับพี่น้องทุกคนถูกทดสอบจะอัลลอห์ให้มีความลาบากแล้วก็ความสบายเห็นไหมอะไรขึ้นก่อนนะ ความลำบากขึ้นก่อนความสบายมาทีหลังนะข่อนมาห้ามดกว่าอชวัลลอิละอิลลอันตะอัสตัฟุะวะตบิไลคอลมะลคุมะระห์มะตุลละห์บะบรระคาตุ